สวัสดีคุณผู้ฟังพระเจอผีทุกท่านด้วยนะคะวันนี้บีม er, ีเรื่องมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะเป็นเรื่องที่ได้ยินได้ฟังมาจากญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มองไม่เห็นคุณผู้ฟังท่านใดที่รับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะะเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อส่วนบุคคลค่ะเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่ท่านได้เจอกับตัวของท่านมาเองแล้วก็ด้วยความที่อยู่บ้านนอกในยุค ก, ก่อนๆนเนี่ยคงจะเดากันได้เนี่ะว่าป่าไม้ค่อนข้างจะเยอะ รวมถึงพื้นที่ในการปลูกบ้านสมัยก่อนนี้เนี่ยนะคะก็ต้องอาศัยในการจับจองและก็แพ้วถางเองดังนั้นบริเวณในพื้นที่ของญาติผู้ใหญ่ท่านนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นที่ที่ติดกับทุ่งนาแล้วก็ภูเขาและก็ในบริเวณนั้นอยู่กันแค่เครือญาติแบบวพีวๆเลยไม่มีคนนอกสายเลือดมาเกี่ยวข้องเลยนะคะ ทางด้านของภาคเหนือเนี่ยอย่างที่เรารู้กันดีค่ะว่าเรื่องเล่าผีสางทางแดงหรือว่าผีสางนางไม้อะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะและสิ่งที่ยอดฮิตเลยก็คือผีกะค่ะผีกะของภาคเหนือนี้อารมณ์จะคล้ายๆ ก, กันกับผีปอบทางภาคอีสานแต่ว่าน่าจะมีที่มาที่ไปจากผีบรรพบุรุษที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้แล้วเกิดเลี้ยงไม่ดีก็เลยหันมากินเครื่องในลูกหลานแทนประมาณนี้ ทั้งนี้ผีกะนี่ก็ยังสามารถจําแรงเป็นสัตว์ต่างๆได้ด้วยนะคะคนที่เลี้ยงผีกะจะมีสิ่งให้จับสังเกตก็คือกลางวันเนี่ยจะมีหน้าตาธรรมดาไปถึงแย่แต่ว่าพอตกกลางคืนเท่านั้นแลหละค่ะหูหน้าตาสวยหล่อขึ้นมาเชียวและก็อีกสิ่งหนึ่งตามมาที่ได้ยินก็คือเขาเล่าลือสืบกันมาเนี่ยคนที่เลี้ยงผีกะจะมีวอก วอกก็คือลิงขนาดเล็กนั่งอยู่บนบ่าคอยเลียหน้าเลียตาเจ้าของแล้วก็เวลาไปไหนมาไหนนะะีคะก็มักจะมีนกแสกเนี่ยบินนําเสมอเรื่องของเรื่องก็คือบ้านใกล้เรือนเคียงที่เป็นเครือญาติกันเนี่ยมีป้าสะใภ้คนหนึ่งแต่งงานเข้ามาอยู่ที่หมู่บ้านนี้นะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงที่หน้าตาธรรมดาธรรมดาละค่ะบ้านๆตัวเล็กๆผิวสองสีขอแทนแกรว่าป้าท้อก็แล้วกันเนาะ ประทอเนี่ยนะคะแกเป็นคนที่ขวัญอ่อนแล้วก็ปากไวต้นสายปลายเหตุของเรื่องไม่มีใครรู้นะคะว่าแกไปทำอีท่าไหนถึงได้ไปถูกตาต้องใจผีกะตัวหนึ่งเข้าด้วยความที่พื้นที่แถวนั้นเนี่ยมันเป็นป่าค่อนข้างเยอะบวกกันกับพื้นที่ ตรงจังหวัดนั้นเนี่ยคื อ, อเปิดทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอย่างถูกต้องตามกฎหมายป่าสักก็เลยมีค่ามหาศาลทุกข้างถนนค่ะหลังจากออกไปข้างนอกกลับมาบ้านป้าทอแกก็มีอาการแปลกๆดูลูกลี้ลุกลนปากก็พร่ำแต่ว่ามีคนตามมามีคนตามมาไม่หยุดค่ะทีนี้ผัวแกก็คือลุงรามนี่แหละ ก็วิตกกังวลกลัวว่าเมียจะเป็นอะไรทําไมพูดจาแปลกๆด้วยความที่ไม่เชื่อก็เลยนิ่งเฉยปล่อยให้ป้าท้อแกเพ้ออยู่อย่างนั้นจนฟ้าเริ่มมืดแล้วก็เข้านอนป้าท้อแกก็ไม่สงบลงนอนไม่ได้ค่ะหวาดกลัวทุกสิ่งอย่างจนกระทั่งเช้านะคะลุงรามก็เลยนําเรื่องนี้ไปปรึกษาแม่ของแกก็คือยายสาตัวของยายสาเองเนี่ยแกนับถือาศาสนาคริสต์ค่ะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ เป็นเพียงคนเดียวในหมู่บ้านตอนนั้นที่ไม่นับถือศาสนาพุทธตามลูกผัวเพราะว่าตระกูลของแกก็คื อ, อเป็นตระกูลที่นับถือศาสนาคริสต์มาหลายชั่วอายุคนแล้วนะคะแกก็บอกว่าให้พิสูจน์ซะด้วยการนำแป้งฝุ่นเนี่ยไปโรยตรงขั้นบันไดบ้านซึ่งบ้านของลุงรามแล้วก็ป้าทอเนี่ยเป็นบ้านไม้บันไดซึ่งเป็นซี่ๆโปรง่ปรงๆก็คงพอนึกออกกันนะคะหลังจากโรยแป้งเสร็จ กายปะทอเนี่ยเดินขึ้นไปบนบ้านชั้นสองเพียงคนเดียวมันก็เกิดสิ่งที่แปลกประหลาดขึ้นทำให้ทุกคนแทบจะหยุดลมหายใจเลยละะ่ะค่ะรอยเท้าขนาดใหญ่ปรากฏตามหลังปะทอไปติดๆแกก็หันมาเห็นเนี่ยเรียกว่าสุดหัวลงไปเลยด้วยความกลัวทีนี้ป่าก็พร่ำพูดแต่ว่ามันจะเอากูไปมันจะเอากูไปจนลุงรามอยู่ไม่เป็นสุขก็ต้องรีบพาแกไปหาพระแถวบ้าน แต่จนแล้วจนรอดนะคะผีตัวดีตัวนี้เนี่ยก็ไม่ยอมออกไปไหนมิหนำซ้ำมันยังสำแดงฤทธเดชอาลวาดค่ะเข้าสิงไม่หยุดย่อนเจ้าผีกะตัวปัญหาตัวนี้นี่มีการแอบอ้างเท้าความไปเนี่ยว่าป้าทอเนี่ยเมื่อชาติที่แล้วเคยอยู่เป็นคู่ผัวตัวเมียกับมันมาก่อนมันก็เลยตามหามาแสนนานแล้ววันนี้เนี่ยมันเจอแล้วมันจะเอาป้าทอไปอยู่ด้วยให้ได้ คุณผู้ฟังคะอาการของคนที่ผีเข้าเนี่ยมันจะมีลักษณะอาการที่ต่างกันออกไปค่ะบางคนก็ร้องโ h o ร้องไห้คำรามกรีดร้องแต่ว่าของปะทอเนี่ยที่แกแสดงอาการออกมาในลักษณะอาการขึงขังบึง้งตึงมันตีอกชกหัวจนร่างกายแกบอบช้ำไปหมดก็เดือดร้อนผัวแกกับบรรดาญาติพี่น้องค่ะต่างก็ต้องพากันจับแกกดไว้กับที่ พระประจำวัดนี้ท่านก็ทั้งพรมน้ำมนต์สวดคาถาเรียกว่าใช้สารพัดวิธีต่างๆขับไล่แต่ยิ่งกลับทำให้มันอลวาดหนักขึ้นจากท่าทีบึง่งตึงเปลี่ยนเป็นเกรียวกระดาดเลยเนี่ยคะพร้อมกับการดูถูกหัวเราะเยียดยันของผู้ชายเนี่ยมันดังออกมาจากปากของปะทอ้อดังสนั่นไปทั่วลานวัดแล้วบอกกูไม่กลัวรอกเป็นแค่พระกระจอกมาไลาก่กูโอ้โหทีนี้ จนปัญญาค่ะพระท่านก็เลยสุดจะทารทนท่านก็เลยแนะนําให้ไปหาพระเกจิดังๆท่านอื่นลุงรามก็เลยต้องพานร่างปะท้อที่มีผีกะแฝงอยู่ย้ายไปยังอีกวัดหนึ่งแต่ก็อีหลบเดิมคุณผู้ฟังยิ่งพระเก่งมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งสำแดงเดชมากขึ้นเท่านั้นด้วยถ้อยคําท้าทายมากมายถูกพ่นออกมาจากปากไม่หยุดหย่อนจนวันทั้งวันนั้นนะคะสุดท้ายลุงรามก็เลยจําใจต้องพาปะท้อกลับมาบ้านก่อน พอมาถึงบ้านได้มันก็ยอมออกแต่โดยดีค่ะแต่ก็ยังคงวนเวียนอยู่ ใ, ใกล้ๆปะทอทําเสียงโครมครามเอะอะกเสียงกระทืบเท้าแล้วก็ดูว่าจะหนักข้อขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็เมื่อลุงรามอยู่ ใ, ใกล้ๆแกเนี่ยแกปะทอเองแกก็จะออกอาการแบบเหมือนคนหงุดหงิดโม โ, โหอะไรประมาณนี้แหละนะคะและเมื่อพึ่งพระไม่ได้ลุงรามแกก็เลยเบนเข็มไปทางหมอผีแทนเช้าวันถัดมาค่ะ ลุงรามแกก็พาป้าทอเนี่ยเดินข้ามอำเภอไปเลยนะเดินทางข้ามอำเภอไปหาหมอผีชื่อดังเจ้านี้ตลอดทางป้าทอก็บนพืมพำแต่ว่ามันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้จนทุกคนพากันกลัวกันไปหมดจากร่างกายที่เคยเต็มอิ่มตอนนี้ป้าทอแกสู้ผอมมากทั้งทางที่ผ่านไปไม่ถึงสามวันด้วยซ้ำ จนมาถึงตาของหมอผีค่ะอย่างที่เรารู้กันนะคะว่าพวกเนี่ยเขาจะมีวิชาอาคมมักจะมีสารพัดสิ่งของขลังไว้ใช้รวมถึงหมอผีท่านนี้ด้วยนะคะเริ่มแรงด้วยงาช้างแล้วก็นํามาทิ่มแทงตามร่างกายพอกระทบผิวหนังของปะท้อเท่านั้นแหละมันก็โผล่ออกมาสิงสู่อยู่ในร่างกายของปะท้ออย่างกับนัดหมายกันไว้เลยนะไม่มีแม้กระทั่งเสียงร้องหหยหวนมีเพียงเสียงหัวเราะแหบห้าดังกังวานขึ้นมาแทน มันเริ่มท้าทายอาจารย์หมอผีท่านนี้ทันทีค่ะทั้งสารพัดวิธีสารพัดของขลังก็เลยถูกประสบ อ, อประโคมใส่ร่างของประธรไม่หยุดหากแต่ว่าผลก็ยังเหมือนเดิมมันไม่ยอมออกแล้วก็ไม่ยอมไปไหนด้วยแล้วก็เมื่อหมอผีเจ้าแรกปราบไม่ลงเจ้าที่สองเจ้าที่3มแล้วก็เจ้าที่4ก็เลยตามมาแต่ทุกครั้งผลลัพธ์ก็ออกมาเหมือนเดิมค่ะจนสุดท้ายเนี่ยค่ะถึงกับเอ่ยปากออกมาบอกว่าตอนมีชีวิตเนี่ย เป็นคนมันคงมีวิชามากพอสมควรไม่งั้นไอ้ผีกะตัวนี้เนี่ยมันก็คงทนอยู่กับตัวของป้าท้อเนี่ยไม่ไหวหรอกนะคะราวกับว่าเป็นคำสรรเสริญเยินยอเลยนะมันตี อ, อกชกมือพอ อ, อกพอใจบอกว่าอย่าพยายามมาขัดขวางทางรักของมันเลยยังไงมันก็จะเอาป้าท้อไปเป็นเมียมันซะให้ได้ลุงรามก็จนปัญญาละค่ะเมื่อทําอะไรไม่ได้ก็เลยต้องจําใจพาป้าท้อและก็ผีกะตัวนี้กลับบ้านอีกครั้ง ทีนี้พูดถึงยายสาที่แกรออยู่ที่บ้านหลังจากที่ลูกชายพาลูกสะภ้ายของแกหายไปเกือบทั้งวันแกก็นั่งคิดนอนคิดยืนคิดคิดยังไงก็คิดไม่ตกก็เลยมาหายายคุณยายที่บ้านอีกหลังหนึ่งก็ขอคาปรึกษาขอคําแนะนําซึ่งอย่างที่เคยเกริ่นไว้นี่ฮะว่าที่บ้านของป้าปสาเนี่ยยายสาเนี่ยแกนับถือาศาสนาคริสต์กันหมดก็เลยแนะนําด้วยการพาป้าทอเนี่ยไปที่โบสถ์ซะ เช้าวันรุ่งขึ้นค่ะเยสาก็เลยพาลุงรามแล้วก็ป้าท้อเนี่ยเดินทางไปที่โบสถ์ใกล้บ้านซึ่งทางนั้นเองก็ได้รับการติดต่อมาแล้วว่าเยสาเนี่ยจะพาสไปเนื่องจากโดนผีเข้าเนี่ยมาที่โบสถ์พอไปถึงทุกคนก็ไม่รอช้าพาป้าท้อเข้าไปด้านในตรงแท่นพิธีนะคะที่มีาศาสนาจารย์อยู่ก็จะคล้ายคายกันกับบาทหลวงแต่ว่าไม่ใช่นะคะท่านาศาสนาจารย์ทั้งหลายก็ยืนรออยู่นะคะ ยืนร อ, อป้าทอยืนรอเยสาอยู่ก็เตรียมที่จะทําพิธีกันอยู่ที่แท่นพิธีแล้วล่ะค่ะท่านศาสนาจารย์ทั้งหลายค่ะก็เริ่มทําการอธิษฐานอย่างที่รู้ๆกันมานั่นแหละนะคะว่าชาวคริสต์เนี่ยก็จะมีการอธิษฐานกันอยู่เนืองๆทั้งการสารภาพบาปการอ้อนวอนต่างๆนันาก็คงจะคล้ายกับการสวดมนต์ของชาวพุทธซึ่งในครั้งนี้นะคะศาสนาจารย์ทุกคนก็เลยพากันอธิษฐานช่วยป้าทอในการขับไล่ผีกะอย่างเต็มที่ หลายคนอาจจะงงนะคะว่าเมันเกี่ยวอะไรกันมันช่วยได้ตรงไหนก็ขออธิบายแบบรวดรัดเลยก็แล้วกันในาศาสนาคริสต์เนี่ยจะไม่มีการนับถือผีเพราะว่าเราเรียกสิ่งเหล่านั้นว่าวิญญาณนะคะเมื่อเรานับถือพระเจ้าผีจะไม่กล้ามายุ่งเกี่ยวหากแต่ว่ามันจะขัดแย้งกันเพราะว่าเห็นในหนังฝรั่งเนี่ยก็ยังโดนผีเข้ากันอยู่โครมโครมนั่นไม่ใช่ผีนะสิ่งนั้นเขาเรียกว่าสาวก ซาตานนะคะและมันคืออะไรคุณผู้ฟังก็ลองไปหาข้อมูลดูก็แล้วกันว่าสาวกซาตานคืออะไรเดี๋ยวมันจะยาวดังนั้นค่ะการอธิษฐานขับไล่มันก็เลยเป็นเรื่องปกติการอธิษฐานขับไล่เริ่มต้นขึ้นแล้วก็ถูกแทรกด้วยเสียงร้องของปะทอ้อเสียงใหญ่แหบแห้งแผร้องอย่างกับเจ็บปวดร่างของปะทอก็ดิ้นทุรนทุรายปากก็บอกพอแล้วกลัวแล้วไม่ไม่อยู่แล้วลุงรามค่ะ ที่แกยืนดูอยู่ก็พยายามจะเข้าไปช่วยเมียแต่ว่ายายสาเนรังลูกชายแกเอาไว้บอกว่าให้ทนอีกนิดนึงอยากให้ประทอรอดไม่รู้ว่าผ่านไปนานแค่ไหนล่ะสุดท้ายผีกะตัวนี้มันก็เริ่มพ่ายแล้วก็เริ่มถอยออกไปป้ทอได้สติก็พรั่งพรูน้ำตาออกมาไม่ขาดสายด้วยความศรัทธาแกก็เลยขอเปลี่ยนาศาสนาแล้วก็หันหน้าเข้าหาพระเจ้าตั้งแต่วันนั้นผีกะตัวนี้ก็ไม่เคยมาย่างกราย แม้กระทั่งจะเดินเฉียดหรือว่ามาสิงสู่ร่างกายของป้ท้ออีกเลยนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเล่าจากทางด้านของคุณผู้ฟังที่เป็นสมาชิกในเว็บไซต์ P ันทิปคอมนะคะเป็นเรื่องผีกระะที่ญาติผู้ใหญ่เล่าให้ฟังนะคะหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดที่รับฟังไปแล้ว ไม่เชื่อในเรื่องที่เกิดขึ้นบีเองก็อยากจะขออ้อนวอนแหละนะคะว่าให้ฟังในส่วนของความบันเทิงก็แล้วกันนะคะทีนี้มาฟังกันอีกเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องที่ส่งเข้ามาจากทางด้านของคุณผู้ฟังทางบ้านใน f a c e b o o k แฟนเพจพระเจอผีคุณอรวรันนะคะคุณอรวรันบอกว่าดิฉันชื่อแมค่ะเป็นครูตั้งแต่ปี2536ถึงปี2559 ซึ่งปัจจุบันก็ลาออกมาจากการเป็นครูแล้วแล้วก็มาดูแลคุณแม่แล้วก็ลูกสาวเพราะว่าคุณแม่เนี่ยล้มก็เลยทำให้ร่างกายไม่แข็งแรงลูกสาวก็กำลังโตสามีก็เลยให้ลาออกพี่แม่เองนะคะก็เลยออกมาทำธุรกิจส่วนตัวนะคะเล็กๆอยู่ที่บ้านขออนุญาตเรียกพี่แม่ก็แล้วกันนะคะพี่แม่บอกว่ามีเรื่องเล่าค่ะซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืมเลย คือเมื่อสมัยตอนที่ยังเป็นเด็กนักเรียนอยู่ชั้นป .5 ที่บ้านนี่ปลูกปลูกพริกไว้ขายค่ะสวนพริกก็อยู่ไกลาจากตัวบ้านประมาณสัก500เมตรนะคะตรงที่สวนพริกเนี่ยก็จะมีสระน้ำเอาไว้ใช้สำหรับตักรถผักวันที่เกิดเรื่องเนี่ยเป็นวันฝนตกอากาศก็มืดเร็วมากป๋ากลับจากโรงเรียนมาก็เกือบ6โมงเย็นล คุณแม่ก็ทํากับข้าวอยู่ก็คือผัดผักปลาทอดต้มจืดนะคะทีนี้คุณแม่จะตาน้ําพริกกะปิพอดีลืมเก็บพริกค่ะพ่อปลา่าพ่อป๋ากลับจากโรงเรียนก็เลยให้ป๋าเนี่ยไปเก็บพริกป๋าก็เลยชวนพี่แมร์เนี่ไปเป็นเพื่อนป๋าบอกว่าเห็นอะไรได้ยินอะไรก็ห้ามทักห้ามวิ่งห้ามถามเข้าใจไหมพี่แมบอกว่าพยักหน้ารับแต่ว่าคิดอยู่ในใจแหละว่าเอออะไรของป๋าเนี่ย คือถ้าเห็นแล้วเกิดตกใจเผลอทักละโอ้ยนี่เราออกมาเก็บพริกหรือว่าจะไปจับผีก็แอ บ, บกลัวอยู่นิดๆเลยนะคะพอพร้อมแล้วก็เลยเดินตามป๋าออกไปที่สวนป๋าเนี่ยถือไฟฉายเดินนําหน้าพี่แม่เดินตามหลังแต่ว่าในใจเนี่ยก็คิดแหละนะคะว่าโอ๊ยไม่ต้องตําต้องเติมก็ได้มั้งน้ําพริกเนี่ยถ้ามันจะเก็บยากเก็บเย็นขนาดนี้ที่นี้พอเดินมาถึงสวนพริกค่ะ ปาก็ให้พี่แมเนี่ยถือไฟฉายแต่ว่าให้ดับไฟด้วยนะไฟฉายที่ถือไว้เนี่ยก็คือถือเฉยๆค่ะแต่ว่าไม่มีไฟส่องออกมาเพราะว่าถูกดับไปแล้วก็ไม่กล้าถามพ่อแหละนะคะว่ า, าทำไมต้องดับนู่นนี่นั่นเพราะว่ากลัวจะถูกดุก็คิดไปเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมต้องดับไฟก็ได้แต่คิดนะคะก็เลยยืนหันหน้าหันหลังบ้างมองซ้ายมองขวาก็เห็นป่าเนี่ยแกกาลังก้มเก็บพริก พี่แม่เองก็มองไปรอบๆนะคะสายตามาหยุดอยู่ที่สะน้าค่ะสะน้าที่อยู่ข้างๆกันกับสวนคลิกนี่แหละแล้วก็ต้องทำให้ตกใจเมื่อสายตานันเนี่ยมองไปเห็นมีเงาดำอยู่ตรงขอบสะเงานั้นกระโจนลงน้ำเสียงดังตุ้มเลยพี่แม่บอกว่ามองตาค้างแบบระยะระยะจากเงานั้นเนี่ยกับกับตัวของพี่แม่นี่คือห่างกันประมาณสัก569ปากก็ไม่กล้าร้องแล้วค่ะกลัวมันจะได้ยิน สักพักหนึ่งมันก็เอาอีกทีนี้สูงขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะะีคะแล้วก็กระโดดลงน้ําอีกครั้งหนึ่งเสียงดังตุ้มเหมือนเดิมเลยก็เลยเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมป๋าถึงเฉยเหมือนไม่ได้ยินเสียงแล้วก็เหมือนไม่เห็นอะไรเลยก็ยังคงก้มหน้าก้มตาเก็บพลิกต่อไปนะคะจากที่เงาดําตัวนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังที่ยืนอยู่ขอบสะเป็นคนธรรมดาแล้วก็โดดลงไปในน้ํา แล้วก็ขึ้นมาที่ขอบสระอีกแล้วก็ขยายตัวสูงขึ้นนะคะแล้วก็โดดลงไปในน้ำแต่ว่างวดนี้เนี่ยคือไม่แล้วขึ้นไปบนต้นไม้เลยค่ะที่อยู่ข้างสระแล้วก็กระโดดลงมาที่สระน้ำเสียงดังมากกว่าเดิมนะคะซึ่งตอนนี้เองค่ะปลาที่กำลังเก็บพลิกเสร็จแล้วก็รับไฟฉายจากมือของคุณของพี่แมเนี่ยนะคะแล้วก็เดินนาหน้าเดินนาไป2า ก็ก้มลงหยิบก้อนดินแล้วก็เอามาเป่าแล้วก็ปาลงไปที่สระน้ำพร้อมกับพูดนะฮะว่าเดี๋ยวเถอะถ้าฉันทนไม่ไหวนะฉันจะถมซะแกจะไม่มีที่อยู่ถ้ายังขืนทําแบบนี้อยู่เดี๋ยวหาว่าใจร้ายไม่ได้นะพูดจบเสร็จก็เดินนำหน้าไปตอนนั้นก็ไม่กล้าหันไปมองแล้วค่ะอยากจะกลั้นใจหลับตาแล้วก็วิ่งแบบไม่คิดชีวิตที่ถึงบ้านเลยทีนี้พอกลับเข้าบ้านคุณแม่ก็ถามว่าเจออะไรไหย ป๋าก็บอกว่าได้ยินได้ยินมันกระโดดน้ำตั้งนานละจะหันเบก็กลัวว่าลูกเนี่ยมันจะกลัวก็เลยเก็บพริกให้มันเสร็จก่อนพี่แม่ก็เลยพูดกับป๋าบอกว่าเอาก็หนูนึกว่าป๋าไม่ได้ยินเสียงดังขนาดนั้นทำไมป๋ายังเฉยพี่แม่เองแกก็เลยถามคุณแม่นะฮะว่าเขาเป็นใครกันแม่ก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าสมัยก่อนที่พี่แมยังไม่ได้เกิดเนี่ยมันมีจนปล้นรถ จากที่อื่นมาถูกตำรวจยิงตายแล้วก็ตกลงไปในสระน้ําที่เป็นบ้านเนี่ยค่ะบ้านเป็นจะเป็นท้องนาแบบไม่มีรั้วกัน้นตำรวจเนี่ยช่วยกันเอาศพขึ้นมาจากสระคุณแม่บอกว่ามันตายตาไม่หลับเลยแหละคือตามันเบิกโพลงเลยมือมันก็กําปืนแน่นเลยคุณแม่จําได้แม่นเลยทีเดียวค่ะคุณแม่บอกว่ามันตายได้สองสวันมันก็มาหลอกเข้าไปทั่วจนลูกจ้างที่แม่จ้างมาเก็บพริกเ น, นี่ยหนีกันหมดเลยเนี่ยหนูเก่งมากที่ไม่ร้องไม่ทักไม่วิ่งหนี ใจจริงแล้วคุณผู้ฟังพี่แม่เองบอกว่าอยากจะวิ่งหนีเหมือนกันอยากจะทักเหมือนกันอยากจะร้องเหมือนกันแต่ด้วยความที่กลัวกลัวว่ามันจะเห็นกลัวว่ามันจะเดินมาหานะพี่แม่เองก็เลยไม่ได้ทักไม่ได้วิ่งไม่ได้อะไรเลยนะคะหลังจากนั้นไม่นานค่ะพี่แม่ก็บอกว่าป่าเนี่ยก็ได้ทําการถมสะตรงนั้นแล้ว น ะ, ะเพราะว่ามันจะมีคนเจอผงเจอผีอยู่ตรงนั้นตลอดเลยก็สงสารชาวบ้านชาวช่องที่อยู่ข้างๆกันแล้วก็ไม่มีลูกจ้างมาช่วยเก็บพริกแล้วนะคะก็เลยจำเป็นต้องถมสระไปแล้วจากนั้นนะคะ ป๋ากับคุณแม่ก็ตัดสินใจขายบ้านพร้อมที่ดินแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดระยองตราบจนปัจจุบันนี้ค่ะเรื่องอาจจะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะแต่ว่าอยากจะแชร์ประสบการณ์ให้ฟังยังไงก็ขอตั้งเรื่องว่าไอ้ดำเจ้าของสะก็แล้วกันนะคะผิดพลาดอย่างไรต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็จะทยอยส่งเรื่องมาเล่าให้ฟังอีกขอบคุณค่ะขอบคุณพี่อรวรรด้วด้วยนะคะแหมไม่น่ากลัวได้ยังไงแล้วคะพี่อรวรรดนี่ขนาดบีนั่งเล่าอยู่นะจินตนาการภาพตามไปเลยค่ะ ว่าเรากาลังไปยืนเก็บพริกท่ามกลางความมืดมันจะน่ากลัวขนาดไหนสมัยเป็นเด็กเนี่ยบีเองก็เคยตามคุณพ่อไปแบบพี่อรวรันเหมือนกันนะแต่ว่าไปหาจับกบจับเขียดพ่อเนี่ยชอบให้บีไปยืนอยู่ตรงขอบสะบ้างยืนอยู่ตรงคันนาบ้างแล้วพ่อก็จะเดินดุมดุมไปที่อื่นแล้วก็ให้บียืนอยู่รออยู่ตรงนั้นคือจริงจริงมันน่ากลัวนะคุณผู้ฟัง ใครที่ไม่เคยเจอประสบการณ์แบบนี้ดูว่ามองภาพท้องไร่ท้องนาไม่ออกเนี่ยบางทีเรากลัวจนไม่กล้าที่จะขยับเขยื้อนกันเลยทีเดียวได้ยินแต่เสียงเส้นเอ็นตัวเองดังแอดแอดแอดอยู่นี่คะนี่ก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งค่ะที่คุณผู้ฟังทางบ้านส่งเข้ามาให้บีเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับฟังพระเจอผีของเราด้วยค่ะหากว่าคุณผู้ฟังอยากจะให้กําลังใจบีนะคะรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์ คลิปนี้ออกไปแล้วก็กดติดตาม c h anel n พระเจอผีด้วยก็แล้วกันนะคะวันนี้ผิดพลาดประราการใดกระดาบขออภัยคุณผู้ฟังมณนะที่นี้ด้วยค่ะหมดเวลาของพีแล้วนะคะเจอกันในคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ